วันนี้ก็เข้ามาถึงตุ๊กตาตัวที่21แล้วครับบางคนฟังวิกรตมจริตนะฮะก็อาจจะคิดในใจว่าโอ้โหชีวิตปูุ่ชนคนธรรมดายอย่างพวกเราจะต้องมีคุณธรรมมากขนาดนี้เฉยหรือยังไงเสียชีวิตนี้ก็คงไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่รัตนบัลลังก์แบบกษัตริย์โพชะหรอกจริงๆวัตถุประสงค์ของนิยายสันสกฤตเนี่ยอาจารย์ครับเขาคงไม่ได้ต้องการให้ใครขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์นั้นนะฮะคือคืออย่างที่แอนเลยได้ทราบไป น, นะคะว่า ในตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยสิ่งที่แทรกอยู่ในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นข้อคิดเพราะว่าคุณธรรมของออท้าวิกรธรรมทิเนี่ยก็จะคล้ายกันนะครับคือสมัยโบราณนี้เวลาจะเล่านิยายอะไรเนี่ยมันจะไม่มีการจดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นเาก็จะเล่าในข้อความที่ซ้<ส>ำๆ <สำ S 1> กัน <สำ S 1> หลายๆครั้งเพื่อให้เกิดความจำเข้าไป ในความคิดอย่างยกตัวอย่างในบทสวดมนต์นะคะมันจะเวลาเราสวดเราจะสังเกตเนี่ยบทสวดนี่จะซ้ําครับเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์ท่านจะย้อนของเกา่าเทศน์ของใหม่หย้อนของเก่าในภาษาบาลีที่เราท่องกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรกับป่าพัฒนสูต ร, รหรือ อ, อนันตลักษณะสูตรที่เราท่องเนี่ยก็จะมีภาษาบาลีที่ซ้ําย้ําทวนก่อนเพราะว่าเป็นภาษาเหมือนกันท่องไปในตัวนะครพระสงฆ์เองเวล า, าท่านสวดท่านจะจําแม่นหรือยอดพระกันไตปิฎกเลย ที่จะสวดเนี่ยนะค ะ, ะสมัยสาวๆในความจําแม่นยําแต่เราก็จะจับได้อยู่อย่างนี้ว่าจะต้องย้ําทวนของเดิมอันนี้เป็นความอุบายอย่างหนึ่งกุศโลบายอย่างหนึ่งที่พุทธองค์เนี่ยทรงต้องการทุกคนเนี่ยเกิดความจําแล้วก็ฝังก็้หวปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นสภาวะที่ฮินดูศาสนาฮินดูนะคะครหรือพราหมเนี่ยหรือการสวดของพราหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ หือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์นอาจย์ค่ะใช่ค่ะคือถ้าเราไม่ได้จดเนี่ยเราพูดซ้ําๆเราก็จะจําก็เราสอนลูกเราก็ต้องพูดปากเปลกปากฉาดทุกวันแล้วเด็กเขาจําได้ค่ะทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยทรงเติบโตมาอยู่ในท่ามกลางของศาสนาฮินดูทรงเล่าบรรงได้ฟังเลยก็ซ้ําๆเป็นอย่างลักษณแบบนี้ไม่ว่าการสวดหรือใช้บาลีหรือสันสกฤดก็ดีก็จะซ้ำเช่นเดียวกับเรื่องราวของท้าวมิครนมาติสเนียนะท่านฟังทุกวันอย่เพิ่เบื่อให้ท่านได้มองเห็นว่าเรื่องราวที่สอดแทรกอยู่ในนั้น เขาสอนอะไรนะคะแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าจริยวัดของอพระเาวิกรนารถเนี่ยจะเป็นในลักษณะเดียวคือความกล้าหาญและการศียสละและการให้หรือทรงทศพิธราชธรรมจะเหมือนกันหมดแต่ในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ทดสอบที่สูงขึ้ น, นเรื่อยๆเขาเรียกว่าบารมียิ่งสูงบ ท, ทดสอบยิ่งสาหัสยิ่งหนักหนามากขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องทํานองเดียวกัน แต่ความหนักเบาหรือความพยายามในการทำเนี่ยมันมากขึ้นนะคะอย่างเรื่องที่21เนี่ยนะคะก็สมัยของพระเจ้าวิกรมนาทิต์เช่นเดิมเนี่ยนะคะพระองค์มีมนตรีผู้หนึ่งก็คืออมมาที่อยู่ด้วยในชื่อพุทธิสินทุชื่อสันสกฤตจะเป็นชื่อยาวมากมีบุตรชายเพียงคนเดียวชื่ออนันคระนะสะกดแบบสันสกฤตคืออออ่างนนูรอเรือรอเรือแล้วก็ ขวายละลิงอ่านว่าอนันครใชายหนุม่มคนนี้นี่นะคะความที่เป็นลูกผู้ใหญ่ก็คงจะเหมือนทุกๆๆ ท, ทุกสมัยมก็จะใช้ชีวิตหนุ่มเจ้าสำราญไฮโซนาจ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายบริโภคแต่โภชนียอาหารเลิศรสปราณีราคาแพงเสื้อผ้าก็โอโปราณีตดิ้นทองดิ้นเงินเครื่องประดับอลังการก็วันวันก็หมดปดการแสวงหา ค, ความสุขสำราญ มไม่มไม่เคยคิดจะประกอบกิจการงานใดๆสมองก็ไม่มีเลียนก็หมายเก่งคิดจะอาประมาหาลัยได้ก็ไม่มีในที่สุดบิดาก็เลยที่จะทนทานต่อไปได้อีกบิดาคนนี้นี่มีความคิดคนะคะคือไม่ปล่อยลูกนะพูดง่ายก็เรียกบุตรชายก็มาแล้วก็บริพาสบริพาสนี่ก็คือดา่านะคะบอกนี้แนะ่เจ้าอนังคล แม้ว่าเจ้าจะเป็นลูกที่สืบสายโลหิตมาจากข้าโดยตรงชาติตระกูลก็สูงส่งแต่เป็นที่ยกย่องคนทั้งหลายคือใช่บารมีพ่อครับนะไม่ใช่บารมีตัวเองเลยเพราะถ้าหากเฉพาะตัวเองแล้วเนี่ยเหลวไหลสิ้นดีอนอคคอกพาเราพาก็ความรู้ก็ไม่มีคือทุกคนเนี่ยเคารบนับถือพ่อเป็นมนตรีของเมืองเพราะพ่อในมีความรู้ทุกคนรักลูกก็เพราะบารมีของพ่อไม่ใช่ของเจ้าเลยเจ้าไม่ยอมศึกษาเล่าเรียน เรียนอะไรก็ไม่สำเร็จใช้พ่อใช้เส้นใช้สายเหรอ่ทางพ่ออันนี้พูดแทนพ่อหลายคนในกร<า>ุงเทพน ะ, ะเนี่ยดูสิหัวสมองเจ้าเนี่ยเต็ไมไปด้วยความว่างเปล่าหาสติปัญญาอะไรไม่ได้เอาแต่เที่ยวทเที่ยวเตะใช้จ่ายเงินอย่างปราศจากความคิดโง่เง่าเต่าตุ่นอย่างน่าสมเพชพิจารณาตัวเองบ้างหรือเปล่าโบราณก็บอกว่าบ้านของคนไร้บุตรเนี่ยดูมันดูว่างเปล่า สถานที่ใดไร้ญาติขาดมิตรก็เหมือนว่างเปล่าคือคนไม่มีใครเลยสมองของคนโง่ก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันคือหาคือมองมองคนดีก็ไม่ออกนะคบคนก็ไม่เป็น <c oughs> นะคะแต่ว่าเนื้อของความว่างเปล่าทั้งหลายก็คือความยากจนถ้าคืนทำตัวอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยเจ้าก็จะต้องพลาสมบัติไปทั้งหมดเพราะความที่หาสติปัญญาไม่ได้ได้คิดกันบ้างไหมคะนม่นะ พูดเนี่ยเสียงสะท้อนดังกิดกล้องไปทั่วมาถึงปัจจุบันนี้เลยครับตัวมุกบนตรีคนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมีลูกจะมีประโยชน์อะไรที่มีลูกและถ้าว่าลูกเนี่ยไม่ฉลาดไม่มีคุณธรรมมันก็เหมือนแม่โคที่ไม่มีน้ํานมและไม่มีลูกอ่อนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะมีทําไมลูกแบบนี้มีทําไมเขาบอกว่าคนที่มีลูกมากครนะมากนะแต่ว่าสู้มีลูกคนเดียว ไม่ได้ถ้าลูกคนนั้นเนี่ยทั้งฉลาดทั้งมีปัญญาแต่ถึงมีลูกมากแต่ขาดปัญญามีความโง่งเง่านี่ไม่เกิดประโยชน์ดีว่าแท้งซะดีกว่าครับแท้งนี่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัวตัวอมาวานแท้งนะ ห, หมายว่าอย่ามีซะดีกว่านะบอกว่าลูกที่เกิดมาแล้วแล้วเป็นอย่า ง, ง, งเงี้ยโง่เง่าเตาตุตนตายซะตั้งแต่เกิดดีกว่าธรรมานี่ท่านก็พูดถูกใจหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือการไม่มีลูกเนี่ย ดีกว่ามีลูกที่ที่โง่ดักดานแม้ว่าจะรูปงามเพลงใดก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ครับคือผู้แง่ลูกเขาเนี่ยทั้งรูปงามลักษณะดีผิวพรรณดีนะบำรุงเล้อบำรุงตัวตลาดครับโง่สมองกลวงปรากฏว่าอนันต์คละาเขาคิดได้ค่ะลูกคนอื่นจะอาจจะคิดไม่ได้แต่ว่าอนันตคาราเขาเขาคิดได้ครับเขาก็เสียใจแล้วก็เริ่มมีความขยะนขยงตัวเอง ในชีวิตที่เป็นอยู่อันหากันสารไม่ได้ครับจะไปเริ่มเรียนใหม่แล้วก็เอาสป่านี้ทําไมพ่อมาด่าตอนนี้ ห, หรือบางทีอาจจะด่ามาแต่ก่อนหน้านี้แล้วตัวเองไม่ได้คิดก็ได้แล้วนี่อาจจะมองเห็นอะไรหลายอย่างความสำนึกมันเพิ่งเกิดเขาก็เลยกราบล้าพ่อในเมื่อพ่อมีลูกโง่ครับก็ออกเดินทางไกลเป็นการทําโทษตัวเองไม่ใช่เป็นการประชดนะคะสมัยนี้ออกนอกบ้านไปอยู่กับเพื่อนประชดแต่สมัยนั้นเรอพ่อมาตามกลับสมัยนี้นะฮะอ่าสมัยสมัยนั้นเนี่ย ในประเทศตัวเองและเสาะสแสวงหาครูดีเพื่อศึกษาวิชาต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไปเรียนเล่าเรียนก็อายเขาล ะ, ะไมทันลูกอมาตคนอื่นโคงไปแล้วในที่สุดก็เรียนสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านกับยิ้มยิ้มย่องสบายใจระหว่างทางได้ผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งอันลกครึ้มด้วยรุกรชาตแผ่กิ่งก้านสาขากลางป่าใหญ่มีเทวไลตั้งอยู่แลที่เทวไลก็จะมีบึงใหญ่มีดอกบัว มีฟูงนกนะแต่ตอนนั้นอากาศร้อนเขาก็เลยนั่งพักที่ขอบบึงเพื่อพักให้หายเหนื่อยแลไปข้างหน้าเห็นน้ําในสระ ด, ด้านหนึ่งไวก้กระเพื่อมเราก็เอและมันแปลกดีเนาะแล้วตอนนั้นก็เวลาพูดเพลงอากาศเริ่มมืดครับนะคะก็พอมืดปั๊บก็มีเหตุการณ์ประหลาดเข้ามาเยืนอนก็มีผู้หญิงสวยชะกามีอยู่แปดนางขึง้นมาท่ามกลางน้ําผุดน้ําเดือดเดินขึ้นมาสู่ฝั่ง นี่ถ้าเป็นนิทานไทยไทยเราก็มาจากเมืองลับแลล่ะครับนี่ก็เดินหายก็ไปนในเทวารายขึ้นมาจากน้าเดือดไม่ใช่มารับแล้วมาเป็นพยานานะคะขึ้นมาบูชาเทวารายครับเอจหนุ่มคนนี้ก็แอบสะกดลอยตามไปก็เห็นนางทิพย์ทั้งแตดเนี่ยจัดของบูชา16อย่างเพื่อวงสวงต่อเทวโลกในฐานเวลาเราตั้งศาลพระมหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยมากเขาจะตั้งของบูชาประมาณ16อย่างครับนะคะเพราะว่า16เนี่เป็นกําลังของพระพรหม เหมนที่เราหล่หรอร้านเนี่ยองที่สิเนี่ยนะคะเหมือนบูชาพระพรมแล้วก็ก็สำคัญนะแมกดพูดถึงเทพเจ้าเก้าตื้อของเราเนี่เป็นพรมลักษณะนะคะคแล้วก็ให้หลอเปนองค์ที่16ด้วยให้อศัศจรรย์จริ ง, รรงนะอ่ะกลับมาที่นางนทิพย์ทั้ง8ก็จัดเครื่อง16อย่างบูชาแล้วก็จัดระเบิมระเบิถวายนะคะเ <ๆ S 2> ทวรูปก็มีความพอใจก็ประทานพรให้หอ <ๆ S 1> พอถึงรุ่งสางทิพนาลีทั้ง8ก็ลง พ่อเอนมาเหลือบเห็นในใ<ช>อ น, นันต์อนันตระเข้าก็บอกพ่อหนูน้อยตามเรามาสิเรากําลังไปสู่ที่พำนักก็ก็ตอบตกลงนะเดินตามไปคือด้วยความอยากรูบอยากยากเห็นด้วยแล้วก็นางทั้ง8ปดนี่ก็งามด้วยงามเสเหลือเกินก็ไปถึงน้ําที่พุดผุดุดุดเหมือนน้ําเดือดนะแต่ไม่ได้ร้อนนะคะนางก็กระโดดลงไปครับอนันตระก็กวาดกลัวไม่กล้าติดตามไปก็ไม่เอาเราจะไม่โดดละฉลาดขึ้นมาละ ก็ไปล่มไปเรียนมาแม้ตั้งหลายปีนะคะจะโง่อย่างเดิมก็กระอยู่ก็ไม่โง่แล้วก็กลับบ้านท่านสติให้ดีถึงนครอุชยินีก็เข้าเยี่ยมเยนบิดามารดาทุกคนก็ดีใจว่าเออลูกกลับเนื้อกลับตัวกลับใจมีความรู้ก็พากันพาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิกรธรรมทิตย์ฟังแล้วชื่นใจ่ะเพราะในกรุงเทพเนี่ยเวลาลูกหนีไปแล้วเนี่ยเวลาจะกลับเข้ามาบ้านคือพ่อต้องเป็นประกันตัวออกมาครับไม่รู้มาไปติดอยู่ตารางที่ไหนนี ไม่ได้ทำตัวแบบอันันกาะนี่เลยนะคะแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยอันันกาะนี่เขาแค่เที่ยวแต่งตัวนะคะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ซื้อรถกับรถซิ่งเมาเหล้าโอ้ยแยๆไปหมดเลยิง็นนักเพลงมีีอะไรยุยแย่หมดเลยสมัยนี้เล่นบอลอีกแทงบอลกันทันทันี้เล่นคอมผมอาจารย์แอนเนี่ยอยู่ที่ตลาดสํารงนะครอยู่ที่ตลาดสํารงก็เห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งท่าทางเหมือนเพิ่งปีกันมาอาจารย์โอ้ที่หน้ามีรอยมีดกรีดผมเห็นแล้วแบบ แม้กร่งจะโตมาอายุ 19-20 เนี่ยมันไม่ง่ายน ะ, ะทำไมต้องมาบากหน้านขนาดนี้ขนาดสิคะเนาะคือฟังแม้ถ้าได้มีโอกาสฟังตรงนี้ก็ลองได้คิดเหมือนอนันตละเนี่ยนะค ะ, คะอนันตละนี่ก็เ<ม>ข้าเฝ้าพระราชาชพระราชาก็โอ้กลับมาแล้วเหรอหายหน้าพิจชนานไปอยู่ไหนมาก็คงจะได้ความรู้พระราชาก็รู้หมดนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ภายใต้เรียกว่าขุนนางทั้งหลายเนี่ย บ, บอกว่าแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นก็บอกว่าเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจลองเล่าให้ฟังทั้งส่งก็อนันคาะ ก, ก็ถือโอกาสเล่าเรื่องทิพนาลีทั้งแต่ให้ฟังนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าที่จะลงไปไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นเคยค่ะพระเจ้าวิกรธรรมทิติก็ขอให้อนันคระเนี่ยพาไปพอไปถึงบึงใหญ่นะคะก็เห็นเหมือนเดิมละค่ะ พอแสงอาลุนจับขอบฟ้าเรานางงามก็กลับคราวนี้ก็ชวนพระราชานะคะคืออนันต์กัาเขาเขาไปไปด้วยละค่ะอภิวัฒน์พระราชามาแล้วเาก็กลับบ้านนะคะแต่พระราชาด้วยความกล้าหาญตามประนิสัยของโลงนะยังไงก็ต้องให้รู้ถึงที่สุดก็กระโจนลงสู่น้ําทันทีเมืองนั้นอยู่ใต้บันไดคุณชื่อก็คือเมืองพญานาคนั่นแหละค่ะก็ได้รับการต้อนรับอย่างเพลิดเพลินนะคะก็ได้รับคําชมว่าโอ้ตอนนี้ ก้ า, าหารจังเลยกล้าตามพวกเรามานะไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายไม่เคยมีใครทําอย่างนี้มาเลยนะทุกคนก็รีบหนีกลับบมดในความลึกลับอันนี้ก็ขอเชิญเป็นพระราชาแห่งอาณาจักรนี้ซะเลย uh huh. นะคะก็อย่า ก, กลับไปอีกเลยพระราชาก็ยิ้มยิมนะบอกเออขอบใจแต่ข้าก็มีอาณาจักรอยู่แล้วนะข้ามาที่นี่ก็ไม่ได้ปรารถนาอาณาจักรใดอีกก็ามาดูอะไรที่แปลกๆเท่านั้นเอง uh huh. เรานางงามก็เลยขอพร น, นะคะก็เออไม่โรค นะคะคือคนเรานี้ถ้าไม่โลคคือปกติเราเคยฟังนิทานฝรั่งนะคะคที่ไปสู่อาณาจาักรหนึ่งแล้วก็อยู่ฟังตัวแต่งงานที่นั่นกลับมาที่ร้อยปีให้หลังแล้วทั้งๆที่นึกว่าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามันเรื่อนกันนะคะคแต่พระราชามิโรคเมื่อราชพระราชาม่โลคก็คือผู้ที่เหนือกว่า<ะ>บุคคลใดที่ไม่มีความโลคนะคะไม่มีความอยากนะมีแต่คิดจะให้หรือช่วยเหลือคนอื่น บุคคลนั้นย่มีวาจาสิทธิรเรานางงามนี้ก็เลยขอพร น, นะคะก็พระราชาก็บอกว่าเอาละ่ะพวกเจ้ามีอะไรบ้างพวกพวกเราเนี่ยเป็นมหาสิทธินารีผู้สําเร็จด้วยเวทมนต์ทั้งแปดครับเอา้าเจ้ามีเวทมนต์อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องขอพรจากเราละสินะบอกก็ถ้า ง, งั้นมอบมหาหมนต์ทั้งแปดให้กับเราก็แล้วกันนะครับนางทิพได้ฟังก็เออพระราชางนงค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระราชาที่ประเสริฐ นางนานก็เลยมอบมณีรัตนแ8ดดวงให้แก่พระราชาครับแล้วก็ทูลอธิบายให้ทราบถึงคุณวิเศษ8อย่างของดวงมณีพระราชารับใส่ ย, ย่างแล้วก็ให้พรแปนาลีทั้งหลายนะคะก็ว่าให้เป็นสุขอยู่ในเมืองก็ตามภาษาของพระองค์ท่านก็เช่นเคยค่ะเมื่อกลับมาแล้วรุ่งก็เดินทางมาพบพราหมผู้ชลาอีกเหมือนกันพราหมผู้ชลานี้ก็เล่าความให้ฟังว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่นครจำปาครับ สัปาถ้าทางอยู่แถวขมิเนี่ยมังคาคงจะยุดเป็นผู้ที่ดารงครอบครัวใหญ่มาไกลามากเลยเพราะว่าตัวเองนียากจนต้องละเหเล่ล่อนมาถึงถึงนี่เพราะทนเมียดาไม่ไหวถูกยุบทุกสมัยแลถ้าจนนะเมียดาเก่งนะเป็นเรื่องธรรมดาครับรามก็เป็นหน้าซ่อมหมอนี่เมื่อผัวยากจนเมียก็ไล่ออกจากบ้านครอบครัวก็เมินหน้านีลานี่เดินทางมาไกลามากเลย แล้วก็บอกว่าคนเราพยายามสิ้นไรไม้ตอกเนีไม่มีใครเกรงใจหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสิ้นไร้ไม้ตอกเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการย้ายไปถึงจุดนั้นนะคะคือเราทั้งหลายเนี่ยก็ได้บทเรียนนะคะว่าเราเนี่ยจะ ท, ะจารรทําอะไรเนี่ยกิจการหรือทําการค้าอะไรเนี่ยอย่าให้ถึงคําว่าที่สุดต้องอย่าหมดหน้าตักต้องมีกักเอาไว้เอาความคิดท่านพรามนี้ไปบ้าง<อ>านะค ะ, ะ, คะเพราะ <คน S 1> ่ า, า, าเรานคนมันจะไม่เกรงใจถ้ามันหมด ทุกอย่างแล้วเนี่ยแม้พระลาชาเองก็ยังชิงชังนนี่เป็สูบซ้ําเติมอีกญาติพี่น้องกรตีตัวออกห่างไอตอนรวยนะโอ้โหแต่ถ้ามีเงินเนี่ยใครก็เกรงใจมาเลยนะคะแต่ตอนที่หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยหายตัวไปเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยไหมที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าคนบางคนถึงจนไม่ได้เลยชต้องรวยตลอดใช่ค่ะบอกเรียนบาลมีของเขาตอนนี้ะ ดับแสงลูกเต่ากอนหนีไปโช้ไยกระทับทวีเมียถึงแม้จะเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมตอนนั้นนะตอนนั้นมีคุณธรรมกำเนิดจะวงตระกูลดีพอถึงเวลานี้สิ้นรักแล้วเพื่อนฝูงหลบลี้หนีหน้าไปหมดเลยบัรดาฝูงชนในโลกนี้เนี่ยจะมีใครเรียนรู้วิทยาการโดยครบั้วนล่นจะนอกจากจะเป็นคนรวยเท่านั้นนะคะต่อให้เป็นผู้กล้าหาญรูปงามหน้ากบคาอย่างไงต่อให้มีวาจาแสนไพเราะ เป็นผู้ชำนาญในยุทธจักรคือเก่งหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าไม่มีเงินนี่แม่มันลาบากเหมือนกันนะมันไม่ส่งเสริมแม่ท่านพระนี้ท่านเหมือนเผชิญชีวิตมาหลายชาติแล้วนะฮะจนไม่ได้แถมบอกว่าคนเราเนะี่ยเวลาสูญสิ้นทรัพย์สิงคาแล้วก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนทันทีะนะคะคือจะคือมันมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยคือเขาได้บทเรียนตรงนี้ พระราชาได้ฟังก็หดหูพระไทยพรามิพัมลำพันธ์ามาเลี๊ยตีท้วน<ย> ก, ก็เลยม อ, มอบทิปมาดีทั้งแปดดวงอ้าเอาไปเลยครับนะคะก็เพราะพระราชามีทุกอย่างครบแล้วไม่จําเป็นต้องมีอะไรเพิ่มอีกก็คือผู้นี้ได้ความยากลําบากด้วยความกล้าหาญด้วยความดีได้มาก็ยกให้ก็เ<ป>สคนอื่ครั บ, รบก็เป็นเรื่องมืนเดินแต่ว่าเนื้อเรื่องภา ย, ภายในสิคะคให้ข้อคิดกับเราหลาอย่า ลูกที่ไม่ดีเนี่ยสามารถดีได้ถ้ากลับใจบนะคะลูกที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีลูกจะดีกว่า ลูกไม่ดีนี่เป็นการทําลายวงตระกูลกาทำลายวงตระกูลนะนะคะหรือกลับตัวกลับใจได้ก็กลับตัวกลับใจซะชีวิตนี้เนี่ยท่เด็กๆต้องคิดว่ารเราเนี่ยต่อไปต้องเติบโตเราไม่ได้สตาร์อยู่แค่เป็นเด็กชายหรือเป็นอายุ1 7บ8หรือยีอหรือเป็นชายชกันรเรามีวันแกเรามีวันที่จะมีครอบครัวเรามีวันที่จะต้องไปสอนลูกสอนหลานนะคะเราจะต้องมีอะไรในชีวิตอีกเยอะแล้วอาวุธที่อยู่ในมือเนี่ยในึ่งในงคือความรู้คือวิชาความรู้ค่ะ และการทําอะไรที่ยั้งตัวคือยั้งความคิดอ<ะ>ย่าให้ถึงขนาดที่ว่าสิ้นไร่ไม่ตอกจนกระทั่งคนรับรๆตัวดูถูกย้ายไปถึงจุดนั้นหยุดตัวเองซะก่อนครับสิ่งหนึ่งที่อนันคระเขามีก็คือว่าหลังจากไปเรื่อเรียนจบการศึกษามีวิชาความรู้แล้วเนี่ยนะครับคือลูกบางคนเนี่ยก็พอไปชุบตัวจบการศึกษามานะก็คิดว่าข้านี่รู้หมดข้านี้เข้าใจทุกอย่างแล้วตัดสินได้ทั้งหมดก็ดําเนินการชีวิตทําให้มันพลาดไปแต่อนันตระเนี่ย ถึงแม้ว่านางทิพย์ทั้ง8เนี่ยจะเป็นผู้มีความงามและอยู่ใต้เมืองบรดานนะครับแต่เขาเนี่ยไม่มีความรู้เขาก็ไม่กล้ากระโดดตามลงไปนะอาจารย์คือเริ่มมีความมีสติยังคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถึงมีความรู้มากขนาดไหนเนี่ยความยังคิดต้องมีก่อนนะงถ้าไม่มี ค, ความยังคิดแล้วเนี่ยสุดท้ายที่สุดมันก็อาจจะนําไปสู่ความประลายได้น ะ, ะเรื่องนี้ก็จบลงนะฮะซึ่งตอนนี้ใน้ไปลับ เพราะเจ้าพระราชาโพชาเนี่ยพอฟังเขายัางนิ่งอยู่นะไม่ก้าวันทีนะคะครับพระองค์คิดไข้ครวรถึงเรื่องราวทั้งหมดมนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าพฤติกรรมของพระเจ้าพิการ ม, มาที่จะเหมือนเดิมครับแต่ความยากยิ่งในการที่จะให้เนี่ยให้มันีแปะดูมากกว่าทุกครั้งที่ท่านไม่มีความโลภค่ะก็ยังให้อยู่ครับไม่มีความกลัว<ม>แต่ว่าทรงนิ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็ก้าวระบาทขึ้นเหยียบศีรษะตุกตาตัวที่22 ช้าแลล้ววก็คนไม่เลยาแแรกล้วนลลนาวนิยานยสกฤตเรื่องวิกรมจริกนี้ได้ดังไปถึงหูท่านใดซึ่งมีสถานะอันมีความสำคัญในการที่จะปกครองดูแลกลุ่มคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนอยู่ตรงไหนสังคมกลุ่มใดก็ตามช่วยกันพิจารณาหน่อยนะครับเราคงไม่ต้องไปนั่งตรวจสอบใครต่อใครนะฮะดูตัวเราเองเนี่ยนะผมเองก็นั่งพิจารณาตัวเองอาจานครับที่พูดเนี่ยนะฮะ ว่าเราเนี่ยคุณสมบัติได้ถึงตรงไหนแล้วคุณธรรมอยู่ตรงไหนแล้วและเราจะนั่งครองจิตครองใจคนได้มากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นนิยายสันสกฤตซึ่งเป็นของพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดพ้นไปจากเรื่องความเป็นจริงธรรมชาติของมนุษย์เราเพราะทุก ว, วันนี้พวกเราเผชิญสิ่งต่างๆก็มาจากการกระทําตัวเองทั้งนั้นก็เป็นหลักพุทธศาสนาเราเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกษัตริย์โพชะพิจารณาตัวเองแล้วคุณธรรมข้อนี้ปฏิบัติได้แน่ มีความกล้าหาญมีความเสียสละนะครับส่วนลูกคนไหนที่ฟังเรื่องนี้แล้วก็คงไม่พ้นที่จะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นหนึ่งในจำนวนลูกที่ไม่ดีหรือเปล่าที่จะทำให้ครอบครัวตกต่ำลงไป